ระยะทางจากบ้านยายถึงวัดสัทธาพิรมใช้เวลาเดินประมาณ15นาทียายหิวปินโตมือหนึ่งอีกมือหนึ่งถือคบใต้สองทางหลานชายหาบสาแหลกเดินตามหลังอากาศยามเช้าช่างแสนบริสุทธิ์จนเด็กชายคิดตามประสาเด็กว่าเขาควรจะรีบสูดมันเข้าไปเก็บไว้ในปอดก่อนที่คนอื่นๆจะตื่นขึ้นมาแย่ง ยายอากาศดีจังยายหายใจยาวๆสูตรออกซิเจนเข้าไว้มากๆนะครับเขาแนะนำทำไมต้องทำอย่างนั้นยายถามก็ประเดี๋ยวเวลาคนมามากๆจะต้องมาแย่งกันหายใจในสิครับคนเป็นหลานอธิบายเองเนี่ยงกกระทั่งอากาศที่หายใจเจียวนะไม่มากไปหน่อยหรือไอ้หนูยายว่า ไม่หรอกยายคนอย่างผมชอบมองการไกลผมว่านะต่อไปในอนาคตเมื่อคนเกิดเพิ่มมากขึ้นก็ต้องแย่งกันกินแย่งกันใช้แล้วทรัพยากรธรรมชาติก็จะร้อยล้อลงไปแม้แต่อากาศที่หายใจก็จะต้องแย่งกันยายไม่เชื่อก็คอยดูไปอีก 40- ่สหสิปีข้างหน้ามันจะต้องเป็นอย่างที่ผมพูดยายคงไม่คอยดูหรอก เองคอยดูเผื่อยายด้วยก่อนแล้วกันเพราะกว่าจะถึงเวลานั้นยายคงตายเสียก่อนคนอายุแปดสิบว่าอย่าเพิ่งตายสิครับยายพยายามหายใจกับกินข้าวเข้าไว้รับรองว่าไม่ตายเด็กผมแกละแนะนำแต่บางทียายก็ขีดเกียรหายใจขีดเกียรกินข้าว ทำอย่างนี้มาตัาง้งแปดสิบปีจนเบื่อแล้วยายเล่นสำนวนบ้างถึงเบื่อก็ต้องแข็งใจหน่อยนะยายนะอยู่ดูหน้าเลนก่อนเขาหมายถึงลูกของเขาเพราะเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่เขาก็ต้องมีเมียแล้วก็มีลูกเชกเช่นคนอื่นๆก็ดูมาตั้งหาหกคนแล้วน่ามันก็เหมือนเหมือนกันทั้งนั้นแหละยายหมายถึง ลูกของห ล, นหลานๆยายมีหลาน38คนเหลนห้าคนแต่ลูกผมน่าอาจจะแปลกไปจากคนอื่นๆก็ได้ยายไม่เชื่อก็ต้องลองนะครับแข็งใจอยู่ไปอีกสัก20 30ปีรับรองได้ดูหน้าลูกผมแน่เกิดมันออกมาหน้าเหมือนลิงเอ็งจะว่ายังไงยายนึกสนุกแม้ยายจะดูถูกผมถึงขนาดนั้นสิครับ หรื อ, อยังไงผมก็ไม่น่ามืดตามมัวถึงขนาดจะคว้าลิงมาทำเมียให้เสียพันห ร, รอกครับสาบานได้แล้วคนที่พูดเป็นต่อยหอยก็ต้องสงบปากสงบคำลงเมื่อเดินผ่านฐานพระเพราะกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ลอยมากระทบคาณประสาทเขาใช้มือข้างที่ไม่ได้จับไม้คานปิดปากและจมูกเมื่อกลิ่นนั้นจางลงไปมากแล้วจึงพูดขึ้นว่า แม่ขี้พระนี่เหม็นจังนะยายพูดยังไม่ทันจบฝ่ามือของยายก็ฟาดอะไรกันยายแค่ว่าขี้พระเหม็นก็ต้องตบปากกันด้วยหลานชายออกโกรธเรื่องทําร้ายร่างกายเขายายว่องไวนักเมื่อกี้ยายถือปิ่นโตด้วยมือซ้ายถือคบใต้ด้วยมือขวาแต่พอจะตบเขายายก็สามารถถือทั้งปิ่นโตทั้งคบใต้ ไว้ในมือเดียวกันยังฉับพลันโดยไม่ลำบากยากเย็นแต่ประการใดไอ้หนูยายขอเตือนเอ็งว่าอย่าได้พูดจ่วงจ่าพระเจ้าแบบนั้นเอ็งพูดล่วงเกินยายได้ยายไม่ถือแต่กับพระกับเจ้าเอ็งอย่าทำอย่างนั้นท่านเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ควรแก่การกราบไหว้บูชา ไม่ควรที่เองจะเอามาพูดเล่นผมไม่ได้พูดเล่นผมพูดความจริงตาหากักยายไม่ได้กลิ่นบ้างรู อ, อยังไงหลานชายยังคงเถียงออกสงสัยว่าเหตุใดอาจมของผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ถึงได้เหม็นร้ายกาดเช่นนี้ไอ้หนูเอ็งอย่าว่อนหาเรื่องเจ็บตัวยายสอนอยู่แมปแมปเอ็งก็ยังไม่ยอมฟัง ประเดี๋ยวเถอดิเจอดีห้ามพูดห้ามเถียงเมื่อเป็นคำสั่งของยายหลานชายจำต้องเชื่อฟังเหตุนี้ยายหลานจึงเดินกันไปเงียบเงียบกระทั่งถึงศาลาหลังใหญ่ผู้คนที่มานั่งรอฟังเทศคาถาพันมีราวๆห้าสิบคนส่วนใหญ่จะเป็นคนเท่าคนแก่ดังนั้นเด็กชายเจริญจึงเป็นคนอายุน้อยที่สุด ในบรรดาผู้ที่มาฟังไม่ใช่ว่าจะมีศรัทธาระสาทะทว่าทุกครั้งที่เขาหาบของมาส่งยายจะต้องบังคับเคี่ยวเข็นให้ฟังคาถาพันจนจบเสียก่อนจึงอนุญาตให้กลับบ้านตายแล้วเองจะได้ขึ้นสวรรค์ยายจะพูดอย่างนี้เสมอกระบวนเกฑ์ลูกหลานขึ้นสวรรค์ต้องยกให้ยายทั้งตำบลบางม่วงหมู่ก็มียายคนเดียวนี่แหละ ที่นิมนต์พระไปะเทศมหาชาติที่บ้านปีละสองครั้งแล้วยายก็จะเกณฑ์ลูกหลานให้มาฟังหลานคนไหนชอบหนีไปวิ่งเล่นยายก็จะผูกขาไว้กับเสาเรือนและคนที่ถูกผูกขาเป็นประจำก็คือเด็กชายเจริญจรูนรัตหลานชายพี่จังน่ารักจงังเห็นมาฟังเทศกับยายทุกครั้ง ส่วนหลานฉันไม่เอาเนื้อเอาตายเลยหาบของมาส่งแล้วก็รีกกลับไปนอนนางบุญปลูกวัย75ออกปากชมด้วยเห็นเด็กชายเจริญมากับยายทุกครั้งที่มีเทศมหาชาติก็ต้องบังคับเกี่ยวเข็นนั่นแหละถึงได้ยอมอยู่ไม่งั้นก็จะกลับไปนอนเหมือนกันนั่นแหละเด็กสมัยนี้ไม่ไว้เลยนะแม่บุญปลูก ก็ไม่ชอบเข้าวัดไม่ชอบฟังเทศผิดกับสมัยพวกเรายายวิจารณ์ชันก็ว่าอย่างนั้นแหละอีกหน่อยเพราะเข้าเป็นพ่อคนแม่คนก็คงไม่พาลูกล้านเข้าวัดไม่เหมือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราจึงยึดมั่นในพระศาสนาเลื่อมใสศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ นางบนปลูกคล้อยตามขณะที่เด็กชายจเจริญ น, นั่งทําตาปริบๆแล้วผูกเกลากดเอบไปวัดกันถึงวันโกนวันพระก็จ่องจะไปวัดกันไม่เห็นต้องให้ผู้ใหญ่มาบังคับเกี่ยวเข็นเหมือนเด็กสมัยนี้ยายพูดแบบตีวะกระทบคราดหลานชายรู้สึกคันปากยิบๆหากก็ไม่กล้าออกความเห็น เขาไม่อยากถูกยายตีต่อหน้าธาระกำนันจึงต้องท่องคาถาหลวงพ่อนิ่งหลวงพ่อทนหลวงพ่อทนหลวงพ่อนิ่งอยู่ในใจนี่ทำหมดขนรุนเราคงจะหาคนเข้าวัดอยากหรือผิดจางไ่วยยังไงนางบุญปลูกถามอีกเหมือนก่อน่าวิตกอยู่เหมือนกันนะแม่บุญปลูก ชันว่าคงจะเป็นเพราะหนังไขายาหรือใหม่ก่อนลำตัดลิกเกนั่นแหละที่ทำให้คนห่างเหินประสาทศาสนายายตั้งข้อสังเกตก็คงมีส่วนโยรักแต่ฉันว่าหนังไขายาอ ย, าย่างเดียวนั่นแหละเพราะลำตัดลิเกนั้นสมัยเราเป็นเด็กก็ไม่ให้ดูพวกเราก็ยังชอบมาวัดฝั่งพระเทศนั่นสิหรืออิงว่าอย่างไง ไอ้หนูยายถามหลานชายผมก็ไม่รู้จะไหวยังไงเหมือนกันแต่ถึงรู้ก็คงไม่ว่าเพราะดีไม่ดีถูกยายตีเปล่าๆผู้ใหญ่สมัยนี้ชอบรังแกเด็กนะครับยายพูดผิดหูหน่อยก็ทั้งหยิกทั้งตีข้พูดกับนางบุญปลูกก็ตั้งใจประชดยายนั่นแหละก็ปากเองมันดีนักเนี่พูดอะไรออกมาแต่ละทีไม่เคยห่างขุ้มนรกเลย ที่ยายคอยเทคที่ยายคอยดุว่าเขียนตีก็เพราะไม่อยากให้เองตกนรกต่างหากละ่ะยายแก้ต่างนารกอีกแล้วก็วันก่อนผมพิสูจน์แล้วนี่นาว่านารกไม่มีไม่เชื่อถามไส้เดือนกับกิ่งกือดูก็ได้หลานชายแยง้งดูเอาเถอะแม่บุญปลูกเด็กสมัยนี้นอกอยากจะไม่ชอบเข้าวัดแล้ว ยังปากขอเราะร้ายเถียงผู้ใหญ่คำไม่ตก่ากล้านแม่บุญปลูกเป็นอย่างนี้บ้างไหมร้ายกว่านี่หลายทถาเทียวละฉันถึงได้ไม่สนใจใยดีกับมันผีจางยังดีที่มีความอดทนมากกว่าฉันการสนทนายุติลงเมื่อสมภารถือตลปบัตรเดินขึ้นมาบนศาลาตรงไปยังธรรมาส ซึ่งสองข้างทางประดับตกแต่งด้วยกิ่งไม้ต้นกล้วยและต้นอ้อยทำเป็นซุ้งประตูป่าในว่าเป็นเหมือนทางเข้าเขาวงกตการเดินคถาพันมักตกเป็นหน้าที่ของสมภารที่เป็นเช่นนี้เพราะต้องการเรียกศรัทธาจากคนฟังซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนเท่าคนแก่ขึ้นนั่งบนธรรมาสเรียบร้อยแล้วสมภารจึงให้ศีลจากนั้น จึงเริ่มเดินคาถาพันซึ่งใหญ่ฟังจนจำได้แม้ไม่เข้าใจความหมายนะโมตัสสะพระคาวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะเวสันตระชาตกังพุทสตีวระวันนาเพวรสุทัสะทาวเรปทัพพยา จารุปุพังคียังตุยหังมณโสปิยังเทวะราชานมโมตยัตถุกิงปาปังปกตังมายารัมมาจาเวสิมังฐานาวาโต ว, วะทระรณีรู้หังนาเจวะเตกตังปาปังนาจเมตวํมสิอปิยาปุญญจะเตปริกขีนงัง เยนเตวังวทามิหังสันติเกมระนางตุยหังวินาพาโวภวิสติปฏิคันหาหิเมเอเตวเรทัสสะประเวทฉโตวรันเจเมอโทสกะสภพภูตานะมิสระศิวิราชัสะพัฒันเตตัทะอสัง นิเวสเนสมภารวัดสัทธาพิรมเดินคาถาพันทศพรที่เรียกว่าสมภารวัดสัทธาพิรมเดินคาถาพันกันทศพรที่เรียกว่าทศวรรคคาถายัางไม่ทันจบเด็กชายเจริญจรุนรัตก็นั่งหลับสปะปองกน้ำลายไหล ย, ยืดมิหนำซ้ำยังฝันซะอีกว่ากำลังเล่นทอยกองอยู่กับเพื่อน แต่แล้วก็ต้องสะดุ้งตื่นเมื่อรู้สึกเสียวแปบที่ก้นราวกับถูกมดตัวน่อยต่อยยายเห็นเขานั่งหลับจึงช่วยปลุกด้วยการหยิกแรงๆที่ก้นยายผมกลับบ้านก่อนได้ไหมครับเป็นห่วงบ้านเขาขออนุญาตความจริงแล้วมิได้ห่วงบ้านแต่ประการใดทว่าจะไปเล่นทอยกองกับเพื่อนเหมือนที่ฝันนั่นต่างหากได้ แต่ต้องฟังเทศคาถาพันให้จบเสียก่อนยายยินยอมหากก็มีข้อแม้เด็กชายผมแกลจึงไม่คิดต่อรองเพราะรู้ว่าอย่างไรเสียเขาก็เอาชนะผู้พันยายไม่ได้ดีไม่ดีอาจถูกตีต่อหน้าพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาให้ต้องอับอายขายพักเมื่อใหญ่ไม่ให้กลับเขาจึงจำต้องนั่งฟังเทศ ตาเล็กเรียวจับจ้องที่เป็นหน้าสมภารเหมือนว่ากำลังฟังอย่างตั้งอกตั้งใจวันนี้เราจะต้องชนะให้ได้ลองฝันล่วงหน้าอย่างนี้ต้องแปลว่าจะชนะไอพวกนั้นมันเล่นขี้โกงเราถึงได้แพ้เด็กชายอายุ12คิดวางแผนการเล่นทอยกองทั้งที่ตาจับจ้องอยู่ที่พระภิกษุบนธรร ม, มาทิสมภารเทศคาถาพันจบลง เมื่อเวลาหกนาฬิกาบรรดาผู้ฟังต่างเปล่งเสียงสาธุกันเซิงแซ่หลังจากที่นั่งฟังมาหนึ่งชั่วโมงเต็มบางคนนั่งหลับน้ำลายไหล ย, ยืดเมื่อได้ยินเสียงสาธุก็สะดุ้งตื่นพลางเปล่งเสียงอนุโมทนาบ้างเพราะถึงจะนั่งหลับก็ยังอยากได้บุญอยู่ดียายผมกลับละแล้ววันมะรืนตอนเย็นเย็นจะมารับยายกลับบ้านนะครับ เด็กผมแกลบอกผู้เป็นยายแล้วหันไปทางธรร ม, มาตกราบท่านสามครั้งจึงลุกออกมาพ้นเขตวัดแล้วเด็กชายเจริญก็เดินตรงไปยังบ้านและถึงภายในสิบนาทีเพราะเดินตัวเปล่าไม่ต้องหาของเหมือนเมื่อตอนขาไปเขาจัดการขุนข้าวนางด่างกับนางดำพร้อมสั่งการว่าเอองสองตัวเฝ้าบ้านไว้ให้ดีนะข้าจะออกไปธุระสักหน่อย ไปๆจะกลับมาสุนัขสองตัวได้แต่ร้องหนิงๆ ห, หากพูดได้มันคงจะพูดว่าไปเธอนายยังไงยังไงชั้นสองตัวก็ต้องเฝ้าบ้านอยู่แล้วใหญ่ยยไม่อยู่ที่ไรนายก็ไม่เคยเฝ้าบ้านสักครั้งถ้าชั้นสองตัวเป็นอย่างนายรับรองบ้านนี้คงเหลือแต่เสาเรือนมอบหมายหนะ้าที่ให้นางด่างกับนางดำเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด็กชายผมแกะ จึงหาข้าวเช้ากินตามลำพังอิ่มข้าวแล้วจึงจะออกไปเล่นทอยกองกับเพื่อนๆแต่ครั้นอิ่มข้าวกลับรู้สึกง่วงนอนจึงคิดว่าจะหลับเอาแรงสักงีบหนึ่งแล้วค่อยไปก่อนออกจากบ้านเด็กชายไม่ลืมที่จะหยิบเงินกลมในกระบอกไม้ไผ่ไปด้วยห้าก้อนวันนี้ออกแค่ห้าก้อนก็พอถึงยังไงก็ต้องชนะถ้าได้เงินมากๆ ก, ก็จะไปซื้อคืนมาจากตาแปะ ตอนถูกยายจับได้จะได้ถูกเคียนน้อยหน่อยเขาบอกตัวเองเอาแปะอัวเอาเงินกลมมาขายห้าก้อนเขาบอกเจ้าของร้านซึ่งเป็นคนจีนอายุราวหกสิบวังนี้ทำไมมีแขค่หากล่องทุกทีเฮงเอามาตั้งสิบกว่ากล่องเจ้าของร้านสงสัยวันพระทีไรเด็กชายผู้นี้ จะนำเงินกลมมาขายให้เขาครั้งละไม่ต่ำกว่า1ิบก้อนกววันนี้โอ๊ตจะเล่นชนะประเดี๋ยวจะกลับมาซื้อคืนให้หมดเลยที่เคยเอามาขายให้อาแปะนะ่ะวันนี้จะขอซื้อคืนทั้งหมดพูดอย่างมั่นใจกอลายกอลายอาแปะคิด ก, กล่องละสองสตางค์อะไรกันที่ซื้อผมอยังซื้อก้อนละสะตางค์เองพอขายจะคิดตั้งสองสตางค์เด็กชายว่า ค้าขายก็ต้องคิดกำไรนอาอติไม่งั้นจะรวยยังไงแต่อแปะเอากำไรมากไปน่าเลือดพวกลีลีนอาอติผู้เลียวอแปะไม่ซื้อไม่ขายกะลือก่อยังไล่นะคงอึ่มีทงเทเจ้าของร้านพูดกรดโกรธใจเย็นเย็นนอาอแปะเอาเหอะเรื่องซื้อคืนค่อยว่ากันอีกทีจ่ายโอ๊ะมาห้าสตังก์ก่อนคนอายุหกสิจึงเปิดลิ้นชัก นับเรีนญทองแดงให้เด็กชายห้าอันขอบใจมากประเดี๋ยวโอ๊ตจะมาซื้อคืนนะเด็กชายกำเงินห้าเหรียญแน่นและเดินออกจากร้านไปคิดว่าเล่นได้จะไปกินก๋วยเตี๋ยวสักชามหลังจากนั้นจึงจะมาซื้อเงินกลมคืนเพื่อนําไปใส่กระบอกไว้ตามเดิมบ่ายคล้อยเด็กชายอายุ12เดินหน้าละห้อยกลับบ้านเขาไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไม่ได้ซื้อเงินกลมคืนจากตะแปะ๊ะ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 วันนี้ต้องแก้แค้นเอาเงินคืนจากเพื่อนเื่อทุกคนแต่การกลับปรากฏว่าเขาไม่เหลือเงินติดกระเป๋ากลับบ้านแม้แต่สตางแดงเดียวนางด่างกับนางดำกำลังนอนพักผ่อนจึงคร้านที่จะลุกขึ้นมารับเด็กชายผมแกะเดินขึ้นบ้านอย่างง้อยๆกินข้าวอิ่มแล้วจึงพูดกับตัวเองว่าโชคยังดีที่ยายไปอยู่วัดสามวันไม่งั้นก็ต้องรอไปถึงวันพระหน้า พรุ่งนี้เธอคาดจะไปเอาเงินคืนให้หมดขอยืมเงินกลมไปขายทำทุนอีกครั้งนะครับยาย